มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่8ภิกษุจงใจพยายามนามา้ำอสกิสีเหมือนเนยใสและสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามนามา้ำอสกิสีเหมือนเนยใสและสีเหลืองนอ้ำอสกิสีเหมือนเนกิสีเหมือนเนยใสและสีแดงน้ำอสกิสีเหมือนเนยใสและสีขาวนาา้ำอสกิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนเปรียง น้ำอสุจิสีเหมือในเนยใสยและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสยและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีเหมือในเนยใสยและสีเหมือนนมสดภิสูจจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสยและสีเหมือนนมส้มเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศษพระเถรจักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลจบ